สมถะแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าการศึกษา <Okay. S 1> สแสวงหาความรู้หรืออีกนัยยะหนึ่งเรียกว่าอุบายวิธีให้จิตสงบ <Okay. S 1> เรียกว่าสมถะ <Okay. S 1> เพื่อการศึกษาความจริงใจง่ายมาจิตสงบแล้วเราจะรู้เหตุการณ์ได้ถึงจะต่อไปวิปัชนากรรมฐาน <Okay. S 1> ถ้าว่าวิปัชนากรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าภาวนาให้มันเกิดปัญญา <Okay. S 1> ถ้าจิตไม่สงบศึกษาไม่ครบ mm. ไม่รู้ของจริงเนี่ย จะไม่เข้าถึงวิปัสนาแน่นอน <S S S S okay. วิปัสนาแปลว่าศึกษาครบแล้ว <Okay. S 2> จากธรรมะกรรมฐานอุบายวิธีจิตสงบงั้นมาจิตสงบแนละ้วมันก็เกิดความรู้จริงขึ้นมา <Okay. S 2> รู้จริงขึ้นมาก็เกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับไป <Okay. S 2> จึงจะรู้ของจริงปัญญาจึงจะเกิดเรียกวิวปัสสนากรมา <Okay. S 2> กรมฐานกรรมฐานจึงเรียกว่าแก้ปัญหาชีวิตได้ดีสุดขอเจริญพรอย่างนั้น